ที่เขากล่าวกันว่าโลกว่างโลกว่างด้วยเหตุเ gotcha. ท่าไรหนอพระองค์จึงตรัสว่าโลกว่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์เพราะว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าโลกว่างอนน์อะไรเล่าว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือจักขุเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา รูปว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากขูวิญญาณเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากขูสัมผัสเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออุเบขาเวทนาที่เกิดเพราะจากขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโซตสัทธะ คานะคันทะชิวหารสะกายะโพธะพะมโนเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาธรมมารมเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามโนวิญญาณเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามโนสัมผัสเป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา แม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นธรรมว่างจากอัตตาและจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าโลกว่างหนึ่งบทมาธิกาหนึ่งสุญยะสุญยะความว่างด้วยธรรมที่ว่างสองสังขาระสุญยะ ความว่างด้วยธรรมที่เป็นสังขาร 3. วิปริตนามะสุญญะความว่างด้วยธรรมที่แปรผันสี่อภะสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นเลิศหลักษณะสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นลักษณะ 6. วิขัมภณะสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นเหตุขม7ตัทังคะสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับ E h, สมุทเชทะสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ตัดขาด 9. ปฏิปสัติสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้สงบระงับสินิจรณะสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นเหตุสลัดออกสิบเอ็ดัชตะสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นภายในสิบสองพระหิตาสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นภายนอก 13. บทุปโตสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นภายในและภายนอก 14. สภาพระสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นกลุ่มเดียวกัน 15. วิสภาพระสุญญะความว่างด้วยธรรมที่ต่างกลุ่มกัน 16. เอสนาสุญญะความว่างด้วยธรรมที่แสวงหา 17. บปริคหะสุญญะความว่างด้วยธรรมที่กำหนด สิปฏิลาภสูญญะความว่างด้วยธรรมที่ได้19ปฏิเวทสุญญะความว่างด้วยธรรมที่รู้แจ้งยี่สิบเอกัตะสุญญาความว่างด้วยธรรมที่เป็นสภาวะเดียวยี่สิบเอ็ดนานตะสุญญะความว่างด้วยธรรมที่เป็นสภาวะต่างๆยี่สิบสองขันติสุญญะความว่างด้วยธรรมที่พอใจ ยีสอธิษฐานณสุญญะความว่างด้วยธรรมที่อธิษฐานยี่สิบสปริโยคาหณะสุญญะความว่างด้วยธรรมที่ยังลงยี่สิบห้าความว่างขั้นสูงสุดของความว่างทั้งปวงคือการที่บุคคลผู้มีสัมปชัญญะทำความเป็นไปแห่งกิเลสให้สิ้นไปสองนิเทศหนึ่งสุญยาสุญญา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 น้ชื่อว่าสุญญะสุญญะสองสังขารสุญญะเป็นอย่างไรคือสังขารสามประการได้กแก่หนึ่งปุญญาพิสังขารสองอปุญญาภิสังขารสอเนชาพิสังขารปุญญาพิสังข า, า, า, า, า, า, ารเป็นธรรมว่างจากอาปุญญาผิสังขารและอเนชาพิสังขาร อาปุญญาภิสังขารเป็นธรรมว่างจากปุญญาภิสังขารและอาเนญชาภิสังขารอเนญชาภิสังขารเป็นธรรมว่างจากปุญญาภิสังขารและอาปุญญาภิสังขารนี้สังขารสามประการอีกในหนึ่งสังขารสามประการได้แก่1นึกายสังขาร 2. วจีสังขาร 3. จิตตสังขาร กายสังขารเป็นธรรมว่างจากวจีสังขารและจิตตสังขารวจีสังขารเป็นธรรมว่างจากกายสังขารและจิตตสังขารจิตตสังขารเป็นธรรมว่างจากกายสังขารและวจีสังขารนี้สังขารสมประการอีกในหนึ่งสังขารสาประการได้แก่ 1. สังขารส่วนอดีต 2. อสังขารส่วนอนาคต ส, สังขารส่วนปัจจุบัน ส, สังขารส่วนอดีตเป็นธรรมว่างจากสังขารส่วนอนาคตและสังขารส่วนปัจจุบันสังขารส่วนอนาคตเป็นธรรมว่างจากสังขารส่วนอดีตและสังขารส่วนปัจจุบันสังขารส่วนปัจจุบันเป็นธรรมว่างจากสังขารส่วนอดีตและสังขารส่วนอนาคตนี้สังขารสามประการนี้ชื่อว่าสังขารสุญยะสม วิปริณามสสญญะเป็นอย่างไรคือรูปที่เกิดแล้วเป็นธรรมว่างตามสภาวะรูปที่ดับไปเป็นธรรมแปรผันและว่างเวทนาที่เกิดแล้วเป็นธรรมว่างตามสภาวะเวทนาที่ดับไปเป็นธรรมแปรผันและว่างสัญญาสังขารวิญญาณจักหุภพบที่เกิดแล้วเป็นธรรมว่างตามสภาวะพบที่ดับไปเป็นธรรมแปรผันและว่าง นี้ชื่อว่าวิปริณามสุญญาสี่อภะสุญญะเป็นอย่างไรคือทางที่เลิศทางที่ประเสริฐทางที่วิเศษคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนดความดับนิพพานนี้ชื่อว่าอภะสุญญะหลักษณะสุญญะเป็นอย่างไร คือลักษณะสองประการได้แก่หนึ่งพานละลักษณะลักษณะคนพาสองบัณฑิตลักษณะลักษณะบัณฑิตพาและลักษณะเป็นธรรมว่างจากบัณฑิตลักษณะบัณฑิตลักษณะเป็นธรรมว่างจากพาละลักษณะลักษณะสามประการได้แก่หนึ่งอุปาทาลักษณะลักษณะความเกิดขึ้นสองวยาลักษณะลักษณะความเสื่อม สามทิตัญญาทัตตลักษณะลักษณะแปรพันธ์เมื่อยังตั้งอยู่อุปาทลักษณะเป็นธรรมว่างจากวิยลักษณะและทิตัญญทัตตลักษณะวยลักษณะเป็นธรรมว่างจากวิยลักษณะและทิตัญญทัตตลักษณะทิตัญญทัตตลักษณะเป็นธรรมว่างจากอุปาทลักษณะและวยลักษณะอุปาทลักษณะแห่งรูป เป็นธรรมว่างจากวยลักษณะและที่ตัญยทัตตาลักษณะวยลักษณะแห่งรูปเป็นธรรมว่างจากอุปาทลักษณะและที่ตัญยทัตตาลักษณะที่ตัญยทัตตาลักษณะแห่งรูปเป็นธรรมว่างจากอุปาทลลักษณะและวยลักษณะอุปาทลักษณะแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุอุปาทลักษณะแห่งชราและมรณะ เป็นธรรมว่างจากวายยลักษณะและทิตัญญาทัตตะลักษณะวยลักษณะแห่งชราและมรณะเป็นธรรมว่างจากอุปาทะลักษณะและทิตัญญาทัตตะลักษณะทิตัญญาทัตตะลักษณะแห่งชราและมรณะเป็นธรรมว่างจากอุปาธลักษณะและวยลักษณะนี้ชื่อว่าลักษณะสุญญะ6กิขัมภณะสุญญะเป็นอย่างไร เพก้ามฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยเนื้อขมมะและเป็นธรรมว่างจากเนื้อขมมะพยาบาทเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยอพยาบาทและเป็นธรรมว่างจากอพยาบาทถีนมิทะเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยอารมะสัญญาและเป็นธรรมว่างจากอารลกสัญญาปุทัจจะเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยอวิชเชปะและเป็นธรรมว่างจากอวิเชปะ วิจิกิจช si ้าเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยธรรมาวัฏฐานและเป็นธรรมว่างจากธรรมาวัฏฐานอวิชชาเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยญาณและเป็นธรรมว่างจากญาณอารติเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยปามุชะและเป็นธรรมว่างจากปามุชะนิวร์เป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยปฐมฌานและเป็นธรรมว่างจากปฐมฌาน กิเลสทั้งปวงเป็นธรรมที่บุคคลข่มไว้ด้วยอรหัตมักและเป็นธรรมว่างจากอรหัตมักนี้ชื่อว่าวิขัมภณะสุญญะ 7. ตะทังคะสุญญะเป็นอย่างไรคือกามฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยเนียขัมมะและเป็นธรรมว่างจากเนียขัมมะพยาบาทเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยอพยาบาทและเป็นธรรมว่างจากอพยาบาท ถีนมิทะเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยอารกะสัญญาและเป็นธรรมว่างจากอารกะสัญญาอุทัจจะเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยอวิเคปะและเป็นธรรมที่ว่างจากอวิเคปะวิจิกิจฉาเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยธรรมววัฏานและเป็นธรรมว่างจากธรรมววัานอวิชชาเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยญาณและเป็นธรรมว่างจากญาณ อรติเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยปามุชฌะและเป็นธรรมว่างจากปามุชฌะนิวรณ์เป็นธรรมที่บุคคลละด้วยปฐมฌานและเป็นธรรมว่างจากปฐมฌานยิเลทั้งปวงเป็นธรรมที่บุคคลละได้ด้วยอรหัตตมรรมและเป็นธรรมว่างจากอารหัตมรรมนี้ชื่อว่าตะทางพระสุญยะ 8. สมุทเทชะสุญยะเป็นอย่างไร คือกามาฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยเนื้อมมะและเป็นธรรมว่างจากเนื้อมมะอิยาบาทเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยอภิยาบาทและเป็นธรรมว่างจากอภิยาบาทถีนมิทะเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยอารมกะสัญญาและเป็นธรรมว่างจากอารมกะสัญญาอุทจจะเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยอวิเคปะและเป็นธรรมว่างจากอวิเคปะ วิจิกิจฉาเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยธรรมววัฏฐานและเป็นธรรมว่างจากธรรมววัฏฐานอวิชชาเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยญาณและเป็นธรรมว่างจากญาณอรติเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยปามุชชะและเป็นธรรมว่างจากปามุจชะอิวรณ์เป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยปถมชาญและเป็นธรรมว่างจากปถมชาญ กิเลธั้งปวงเป็นธรรมที่บุคคลตัดขาดด้วยอรหัตมรักษ์และเป็นธรรมว่างจากอารหัตมรักษ์นี้ชื่อว่าสมุทเฉท ะ, ะ, ะ, ะสุญญะ 9. ปฏิปสธิสุญญะเป็นอย่างไรคือกามฉันทะเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยเนคขมะและเป็นธรรมว่างจากเนคขมะพยาบาทเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยอพพยาบาท และ ER เป็นธรรมว่างจากอภยบาตถีนมิทะเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบประงับด้วยอะโลกะสัญญาและเป็นธรรมว่างจากอะโลกะสัญญาอุทัจจะเป็นธรรมที่บุคคลทาให้สงบประงับด้วยอวิเเปะและเป็นธรรมว่างจากอวิเเปะวิจิกิจฉชาเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบประงับด้วยธรรมววัฏฐานและเป็นธรรมว่างจากธรรมววัฏฐาน อวิชาเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยญาณและเป็นธรรมว่างจากญาณอรติเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยปามุชชะและเป็นธรรมว่างจากปามุชะนิวรนเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยปฐมฌานและเป็นธรรมว่างจากปฐมฌานกิเลสทั้งปวงเป็นธรรมที่บุคคลทำให้สงบระงับด้วยอรหัตมรักและเป็นธรรมว่างจากอรหัตมรัก นี้ชื่อว่าปฏิปสติสุญญะ 10. นิจรณะสุญญะเป็นอย่างไรเพื่อการมชันทะเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยเนคขมะและเป็นธรรมว่างจากเนคขมะพยาบาทเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยอพยาบาทและเป็นธรรมว่างจากอพยาบาทถีนมิทะเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยอารมกสัญญาและเป็นธรรมว่างจากอารมกสัญญา อุท er ัจจะเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยอวิเคปะและเป็นธรรมว่างจากอวิเคปะวิจิกิจชาเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยธรรมววถานและเป็นธรรมว่างจากธรรมววัฐานอวิชาเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยญาณและเป็นธรรมว่างจากญาณภรติเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยปามุชะและเป็นธรรมว่างจากปามุชะ นิวรเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยปฐมฌานและเป็นธรรมว่างจากปฐมฌานกิเลสทั้งปวงเป็นธรรมที่บุคคลสลัดออกด้วยอรหัตตมรรมและเป็นธรรมว่างจากอารหัตธรรมนี้ชื่อว่านิสระณสุญญะสิบออชัตตะสุญญะเป็นอย่างไรคือจากขูที่เป็นอายตนะภายในเป็นธรรมว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา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 สิสพระหิทธาสุญยะเป็นอย่างไรคือรูปที่เป็นอายตนะภายนอกเป็นธรรมว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากความเทียมจากความยั่งยืนจากความมั่นคงหรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะธรรมรมที่เป็นอายตนะภายนอกเป็นธรรมว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา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 จากความมั่นคงหรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาโซตตาที่เป็นอายตนะภายใ น, ในและสัทธะที่เป็นอายตนะภายนอกคานะที่เป็นอายตนะภายในและคันธะที่เป็นอายตนะภายนอกชิวหาที่เป็นอายตนะภายในและรสที่เป็นอายตนะภายนอกกายที่เป็นอายตนะภายในและโพธะะที่เป็นอายตนะภายนอก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 เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่างอายตนะภายนอกหกเป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นความว่างหมวดวิญญาณหกเป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นความว่างหมวดผัสสะหกเป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นความว่างหมวดเวทนาหกเป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นความว่างหมวดสัญญาหกเป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่างหมวดเจตนาหก เป็นธรรมกลุ่มเดียวกันและเป็นธรรมว่างนี้ชื่อว่าสภาคสุญยะสิบห้าวิสภาคสุญยะเป็นอย่างไรคืออายตนะภายในหกเป็นธรรมต่างกลุ่มกับอายตนะภายนอกหกและเป็นธรรมว่างอายตนะภายนอกหกเป็นธรรมต่างกลุ่มกับหมวดวิญญาณหกและเป็นธรรมว่างหมวดภัษาหกเป็นธรรมต่างกลุ่มกับหมวดเวทนาหก และเป็นธรรมว่างหมวดเวทนาหกเป็นธรรมต่างกลุ่มกับหมวดสัญญาหกและเป็นธรรมว่างหมวดสัญญาหกเป็นธรรมต่างกลุ่มกับหมวดเจตนาหกและเป็นธรรมว่างนี้ชื่อว่าวิสภาค a h s ญ n y a สิบหกเอชนาสุญญะเป็นอย่างไรคือเนี่ยมมะที่บุคคลแสวงหาเป็นธรรมว่างจากตามาชันทะ อภยาบาทที่บุคคลแสวงหาเป็นธรรมว่างจากพยาบาทอโลกะสัญญาที่บุคคลแสวงหาเป็นธรรมว่างจากถีนมิทะอวิสเถปะที่บุคคลแสวงหาเป็นธรรมว่างจากอุทจจะยานที่บุคคลแสวงหาเป็นธรรมว่างจากอวิชาธรรมะวัฏฐานที่บุคคลแสวงหาเป็นธรรมว่างจากอารติ ปฐมฌานที่บุคคลแสวงหาเป็นธรรมว่างจากนิวรณ์อรหัตมรักที่บุคคลแสวงหาเป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวงน้ชื่อว่าเอสนาสุญญะ 17. ปริฆหาสุญญาเป็นอย่างไรคือเนก่ยธรรมะที่บุคคลกำหนดเป็นธรรมว่างจากการมชันทะอภยบาที่บุคคลกำหนดเป็นธรรมาาททคคว่างจากพยาบาทอโลกะสัญญาที่บุคคลกำหนด เป็นธรรมว่างจากถีนมิทะอวิเขปะที่บุคคลกำหนดเป็นธรรมว่างจากอุทจจะยานที่บุคคลกำหนดเป็นธรรมว่างจากอวิชาธรมรมะ ว, ะวัฐานที่บุคคลกำหนดเป็นธรรมว่างจากอรติปฐมฌานที่บุคคลกำหนดเป็นธรรมว่างจากนิวรณ์อรหัตมักที่บุคคลกำหนดเป็นธรรมว่างจากกิเลทั้งปวงนี้ชื่อว่าปริฆะสุญญะ ปฏิลาพระสุญยะเป็นอย่างไรเคลเนกขมมะที่บุคคลได้เป็นธรรมว่างจากกรามฉันทะอภ wrote, ยบาทที่บุคคลได้เป็นธรรมว่างจากภยบาทอโลกสัญญาที่บุคคลได้เป็นธรรมว่างจากทินมิทะอวิเคปะที่บุคคลได้เป็นธรรมว่างจากอุทจจะยานที่บุคคลได้เป็นธรรมว่างจากอวิชา ธรรมวัฏฐานที่บุคคลได้เป็นธรรมว่างจากอาติปฐมฌานที่บุคคลได้เป็นธรรมว่างจากนิวรณอรหธรรมที่บุคคลได้เป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวงนี้ชื่อว่าปฏิลาภสุญญาสิเปฏิเวทสุญญาเป็นอย่างไรคือเนี่ยครมะที่บุคคลรู้แจ้งเป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ ภะยาบาทที is, judge, ่บุคคลรู้แจ้งเป็นธรรมว่างจากภะยาบาทอาโลกสัญญาที ride, ่บุคคลรู้แจ้งเป็นธรรมว่างจากถีนมิทะอวิเคปะที่บุคคลรู้แจ้งเป็นธรรมว่างจากอุทจจะยานที่บุคคลรู้แจ้งเป็นธรรมว่างจากอวิชาธรมมววัฏฐานที่บุคคลรู้แจ้งเป็นธรรมว่างจากอารติปฐมฌานที่บุคคลรู้แจ้งเป็นธรรมว่างจากนิวรณ อรหัตมรักที่บุคคลรู้แจ้งเป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวงนี้ชื่อว่าปฏิเวทสุญญะยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเอกตะสุญญะนานัตะสุญญะเป็นอย่างไรคือกามะฉันทะเป็นสภาวะต่างๆเนคขมะเป็นสภาวะเดียวเนคขมะที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่เป็นธรรมว่างจากกามะฉันทะ พยาบาทเป็นสภาวะต่างๆอภยบาตเป็นสภาวะเดียวอภยบาตที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่เป็นธรรมว่างจากพยาบาททีนมิทะเป็นสภาวะต่างๆโลกสัญญาเป็นสภาวะเดียวโลกสัญญาที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่เป็นธรรมว่างจากฐีนมิทะอุทจจะเป็นสภาวะต่างๆ อว well ิเคปะเป็นสภาวะเดียวอวิเคปะที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่เป็นธรรมว่างจากอุทจักวิจิกิจฉาเป็นสภาวะต่างๆธรรมววัฐานเป็นสภาวะเดียวธรรมววัฐานที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่เป็นธรรมว่างจากวิจิกิจฉาอวิชาเป็นสภาวะต่างๆญาณเป็นสภาวะเดียว ญาณที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่เป็นธรรมว่างจากอวิชชาอรติเป็นสภาวะต่างๆปามุชะเป็นสภาวะเดียวปามุชะที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่เป็นธรรมว่างจากอรตินิวรเป็นสภาวะต่างๆปฐมฌานเป็นสภาวะเดียวปฐมฌานที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่เป็นธรรมว่างจากนิวร กิเลสทั้งปวงเป็นสภาวะต่างๆอรหมรรมะเป็นสภาวะเดียวอรหัมรรมะที่เป็นสภาวะเดียวของบุคคลผู้คิดอยู่เป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวงนี้ชื่อว่าเอกัตสุญญะนานตสุญญะยี่สิบสองขันติสุญญะเป็นอย่างไรคืนเนกขมะที่บุคคลพอใจเป็นธรรมว่างจากกามฉันทะ อภยบาตที่บุคคลพอใจเป็นธรรมว่างจากพยบาทอโลกสัญญาที่บุคคลพอใจเป็นธรรมว่างจากทีนมิทะอวิเคปะที่บุคคลพอใจเป็นธรรมว่างจากอุทจจะยานที่บุคคลพอใจเป็นธรรมว่างจากอวิชาธรรมววัฏฐานที่บุคคลพอใจเป็นธรรมว่างจากอารติปฐมฌานที่บุคคลพอใจเป็นธรรมว่างจากนิวรณ รหัตมรรที่บุคคลพอใจเป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวงนี้ชื่อว่าขันติสุญญายี่สิอธิษฐานสุญญะเป็นอย่างไรคือเนี่ยมมะที่บุคคลอธิษฐานเป็นธรรมว่างจากกามฉันทะอภยาบาต ท, ที่บุคคลอธิษฐานเป็นธรรมว่างจากพยาบาทอาโลกสัญญาที่บุคคลอธิษฐานเป็นธรรมว่างจากถีนมิทะ อวิเคปะที่บุคคลอธิษฐานเป็นธรรมว่างจากอุทจจะยานที่บุคคลอธิษฐานเป็นธรรมว่างจากอวิชาธรรมววัฏฐานที่บุคคลอธิษฐานเป็นธรรมว่างจากอารติปถมะฌานที่บุคคลอธิษฐานเป็นธรรมว่างจากนิวรนอรหัตตมรักที่บุคคลอธิษฐานเป็นธรรมว่างจากกิเลทั้งปวงนี้ชื่อว่าอธิษฐานะสุญยะ 24ปริโยคาหณะสุญยะเป็นอย่างไรเคเนียธรรมะที่บุคคลอย่างลงเป็นธรรมว่างจากกามฉันทะอภยบาที่บุคคลอย่างลงเป็นธรรมว่างจากพยบาทอาโลกัสัญญาที่บุคคลอย่างลงเป็นธรรมว่างจากทีนมิทะอวิเคปะที่บุคคลอย่างลงเป็นธรรมว่างจากอุทจจะยานที่บุคคลอย่างลงเป็นธรรมว่างจากอวิชา ธรรมะวะวัฐานที่บุคคลอย่างลงเป็นธรรมว่างจากอรารติปฐมฌานที่บุคคลอย่างลงเป็นธรรมว่างจากนิวรอาอรหัตมรักที่บุคคลอย่างลงเป็นธรรมว่างจากกิเลสทั้งปวงนี้ชื่อว่าปริโยคาหณะสุญยะยี่สิบห้าความว่างขั้นสูงสุดของความว่างทั้งปวงเกิดการที่บุคคลผู้มีสัมปชัญญะ ทำความเป็นไปแห่งกิเลสให้สิ like <normal> ้นไปเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้มีสัมปชัญญะในโลกนี้ทำความเป็นไปแห่งกามชันทะให้สิ้นไปด้วยเนคขมมะทำความเป็นไปแห่งพยาบาทให้สิ้นไปด้วยอพยาบาททำความเป็นไปแห่งถีณมิทะให้สิ้นไปด้วยอาโรกสัญญาทำความเป็นไปแห่งอุทจจะให้สิ้นไปด้วยอวิเคปะ ทำความเป็นไปแห่งวิจิติจดฉาให้สิ้นไปด้วยธรรมะวัฏฐานทำความเป็นไปแห่งอวิชชาให้สิ้นไปด้วยยานทำความเป็นไปแห่งอรติให้สิ้นไปด้วยปาโมชะทำความเป็นไปแห่งนิวรนให้สิ้นไปด้วยปฐมฌานทำความเป็นไปแห่งกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปด้วยอรหัตมักอีกในหนึ่งความเป็นไปแห่งจักขุนี้ของบุคคลผู้มีสัมปชัญญะ ผู้ปร ter, term, ota, ja ินิพานด้วยอนุปาธิเสสะนิพานธาตย่อมสิ้นไปและความเป็นไปแห่งจักขุเอ่นก็ไม่เกิดขึ้นความเป็นไปแห่งโสตะความเป็นไปแห่งคานะความเป็นไปแห่งชิวหาความเป็นไปแห่งกายความเป็นไปแห่งมโนนี้ของบุคคลผู้มีสัมปชัญญะผู้ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพานธาตย่อมสิ้นไป และความเป็นไปแห่งมโนอื่นก็ไม่เกิดขึ้นนี้ชื่อว่าความว่างขั้นสูงสุดของความว่างทั้งปวงคือการที่บุคคลผู้มีสัมปชัญญะทําความเป็นไปแห่งกิเลสให้สิ้นไปชนนี้สุญเญกะถาจบยุคคณทวักที่สองจบรวมคาถาที่มีเนื้อวักนี้คือหนึ่งยุคคณทกถาสองสัจจกะถา 3. โมชงค้คกถาสี่เมตตาคถาหาวิราคัคถ า, าหปฏิสัมพิทาคาถาเจ็ธัมมจักกคกถา 8. ปโลกุตรคาถาเก้าพละคาถาสิสศุญยาคาถาวรกที่สองนี้เป็นวรกอันยอดเยี่ยมไม่มีวรกอื่นเสมอท่านผู้ทรงนิกายตั้งเว้แล้วฉชนนี้แล วักหมวดว่าด้วยปัญญาหนึ่งมหาปัญญาคถาว่าด้วยมหาปัญญาอา น, น, นิจจานุปัสสนาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบทุกขานุปัสสนาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําให้ปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบอนาตานุปัสสนาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบนิพพานุปัสสนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบวิราคานุปัสสนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบนิโรธานุปัสสนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบปฏินิสัคานุปัสสนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบคืออนุจานุปัสนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาที่แล่นไปให้เต็มรอบทุขานุปัสนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาชําแรกสิเลสให้เต็มรอบอนัตานุปัสนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญามากให้เต็มรอบนิพพานุปัสนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาเฉียบแหลมให้เต็มรอบวิราคานุปัสสนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาไพ่บูนให้เต็มรอบนิโรธานุปัสสนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาลึกซึ้งให้เต็มรอบปฏินิสักคคานุปัสสนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาไม่ใกล้ให้เต็มรอบปัญญาเจ็ดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมทําความเป็นบัณฑิตให้เต็มรอบปัญญา8ประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําปัญญากว้างขวางให้เต็มรอบปัญญาเกประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําปัญญาร่าเริงให้เต็มรอบปัญญาร่าเริงเป็นปฏิพานและปฏิสัมพิทาอัฏฐปฏิสัมพิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้วทําให้แจ้งแล้ว ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดอาจแห่งปัญญาร่าเริงนั้นธรรมปฏิสัมพิธาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดธรรมแห่งปัญญาร่าเริงนั้นนิรุตติปฏิสัมพิธาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดนิรุตติแห่งปัญญาร่าเริงนั้น ปฏิพาณะปฏิสัมพิทาเป็นอนันบุคคลบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดปฏิพาณแห่งปัญญาร่าเริงนั้นปฏิสัมพิทาสีประการนี้เป็นอนันบุคคลบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาแห่งปัญญาร่าเริงนั้นอ น, นิจจานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทาปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ ปตินิสักขานุปัสนาในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบคืออนิจจานุปัสนาในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาเล่นไปให้เต็มรอบปฏินิสักขานุปัสนาในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาไม่ใกล้ให้เต็มรอบปัญญาเจ็ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมทำความเป็นบัณฑิตให้เต็มรอบปัญญาแปประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญากว้างขวางให้เต็มรอบปัญญาเก้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาร่าเริงให้เต็มรอบปัญญาราเริงเป็นปฏิภาณปฏิสรรมัมพิทาอัตปฏิสัมพิทาเป็นอนบุคคลบรรลุแล้วทาให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญา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 ทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดปฏิพานแห่งปัญญาร่าเริงนั้นปฏิสังขิทาสีปราการนี้เป็นอันบุคคลบรร ล, ลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาแห่งปัญญาร่าเริงนั้นอา น, นิจจานุปัสสนาในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุอา น, นิจจานุปัสสนาในชาราและมรณะที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบปฏินิสักานุปัสสนในชราและมรณะที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบอานิจจานุปัสสนในชราและมรณะที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาเล่นไปให้เต็มรอบปฏินิสักานุปัสสนในชราและมรณะที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาไม่ใกล้ให้เต็มรอบ ปัญญาเจ็ดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำความเป็นบัณฑิตให้เต็มรอบปัญญาแปประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญากว้างขวางให้เต็มรอบปัญญาเก้าประการนี้ญญที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาร่าเริงให้เต็มรอบปัญญาร่าเริงเป็นปฏิภาณปฏิสัมพิทาอัฏฐปฏิสัมพิทาเป็นอันบุคคล บ, บรรลุแล้ว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 ปฏิพานนปฏิสัมพทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้วทําให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกําหนดปฏิพานแห่งปัญญาร่าเริงนั้นปฏิสัมพทาสีประการ น, นี้เป็นอันบุคคลบรรลุแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาแห่งปัญญาร่าเริงนั้นอ น, นิจจานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ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 อ <risque. S 2> นัตตานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบอนัตตานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบนิพพานุปัสสนาในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ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 นิโรธานุปัสสนในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบนิโรธานุปัสสนาในรูปที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบปฏินิสักานุปัสสนในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบ ปติณิักานุปจสนาในรูปที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบคืออนิจจานุปจนนาในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาเล่นไปให้เต็มรอบอนิจจานุปจสนาในรูปที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาเล่นไปให้เต็มรอบ ทุกขานุปัสสนในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาชั่แรกกิเลสให้เต็มรอบทุกขานุปัสสนในรูปที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาเล่นไปให้เต็มรอบอนัตตานุปัสสนในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญามากให้เต็มรอบ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 วิราคานุปัสนนาในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญากว้างขวางให้เต็มรอบวิราคานุปัสนนาในรูปที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาเล่นไปให้เต็มรอบนิโรทานุปัสนนาในรูปที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาลึกซึ้งให้เต็มรอบ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 ปัญญาเจ็ดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำความเป็นบัณฑิตให้เต็มรอบปัญญาแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญากว้างขวางให้เต็มรอบปัญญาเก้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญ า, ารญญา่าเริงให้เต็มรอบปัญญาร่าเริงเป็นปฏิภาณปฏิสัมพิทาอัฏปฏิสัมพิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้ว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 ปฏิพาณปฏิสัมพิทาเป็นอันบุคคลบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล Genius, Leah, job, right ้วด like ้วยปัญญาโดยการกาหนดปฏิพาณแห่งปัญญาร่าเริงนั้นปฏิสัมพิทาสี่ประการนี้เป็นอันบุคคลบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาแห่งปัญญาร่าเริงนั้นอนิจจานุปัสนาในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุ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 ปตินิจกานุปัสนาในชราและมรณะที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาอย่างไหนให้เต็มรอบคืออนิจการุปัสนาในชราและมรณะที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปัญญาเล่นไปให้เต็มรอบอนิจการุปัสนาในชราและมรณะที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมทำปัญญาเล่นไปให้เต็มรอบปฏิสัมพิทาสีประการนี้เป็นอันบุคคลบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาแห่งปัญญาร่าเริงนั้นภิกษุทั้งหลายทำสีประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพันธ์ทำสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัปปุริสสังเสวะคบสัปปุรุษ สัทธธรรมมัตสวาณะฟังพระสัทธรรมสโยนิสมนัิการการพิจารณาโดยแยกใครสี่ธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมสี่ประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลธรรมสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งจักราทาคามิผลย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอรหัตพนฺ์ทำสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งซาปุริสสังเสวะวสองสะธรรมมัสวนะณะสโยนิสมานัการ 4. o u r ทำมนุธรรมปฏิปฏิ ทำสี่ประการนี o, yes. AH mm. ้แหลที yep. ่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลทำสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูนแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวาง ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูรย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไม่ใกล้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาพลันย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเล่นไปย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแลมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสทำสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งชปุริสสสังเสวะ 2. สองสธรรมมัสวนะณะสาโยนิสมนัสการ f ธรรมานุธรรมะปฏิปติ ทำสี่ประการนี้แหลที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชาแรกกิเลส